ว่างจากความฟุง้งเมื่อพายุมาม่านฝนบังตาจากฟ้าโล่งใสเมื่อใจฟุ้งซ่านรอยรำคาญบางใจจากความว่างความว่างไม่ได้ไปไหนเพียงใจหันไปหาความว่างก็ปรากฏเสมอ เช่นเดียวกับฟ้าโล่งใสไม่เคยหายหมเพียงตารอแลนานพอจะเห็นความโล่งใสเป็นนิรันด์เดิมทีใจนั้นว่างอยู่ต่อเมื่อถูกบาดอารมณ์หรือสุขสมกับการพล่มเพอ้อเมฆหมอกก็ออกคลุมใจจนลืมความว่างไปสนิทไม่เหมือนใกล้ชิดความว่างมาก่อนเลย แม้ใจไม่ว่างอยู่แต่เมื่อเร้นจากความบาดอารมณ์ไม่สุขสมกับการพล่ามเพอเมฆหมอกก็ออกห่างความว่างอยู่ที่เดิมไม่เหมือนต้องเติมความว่างไหนลงไปความว่างยังคงเป็นความว่างไม่ต้องสร้างก็ว่างอยู่ความฟุ้งต่างหากไม่เคยดำรงตน ต้องสร้างเหตุจึงอึงอนไม่ขาดสายหมดเหตุเมื่อใดก็หายสูญราวกับไม่เคยมีรอยฟุง้งณแห่งใดในความว่าง